สวัดียามคำํำนั่งตามสบายงตอนนี้ก็เข้าสู่ชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เก้าโมงถึงหกโมงก็เข้าสู่ชั่วโมงที่สิบพยายามนึกอยู่ซะเบอนะ ว่าพระพเจ้าเสียสงไขกระแสนกลับคิดอยู่อย่างนั้นแหะกว่าจะได้รู้มาสอนพวกเราแล้วเขารักษากันมาสองพันหกร้อยกว่าปีไอเราก็จะมาแค่ส0เชั่วโมงสิบเอ็ดชั่วโมงนี่มันน้อยไปออคิดอยู่สเสมอปลุกใจตัวเองอยู่สเสมอจำคำนี้ก่อนที่จะ ปฏิบัติอาาปานสติเราก็คุยเรื่องอาณากันหน่อยครับคือมันไม่มีอย่างอื่นหละคุยอาณากันอย่างเดียวเรื่องอาณาปานสติเนี่ยอย่างที่รู้มันมีการพูดถึงกันเยอะแล้วก็มีการสอนกันเยอะมีการปฏิบัติกันเยอะดีทั้งนั้นอะแต่ว่าอานารมานี่เริ่มอาณาปานสติจากอาณาปานสติสูตรโดยภาษาไทย แล้วก็ปฏิบัติเองโดยการเชื่อในพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่เชื่อใคร ม, มันเลยง่ายมีความรู้มีสภาวะที่มันที่พูดกับพวกเราสองประโยคนี้ไม่ใช่ว่าเอามาจากไหนนะเอามาจากการรวบรวมจากการปฏิบัติเองเสร็จแล้วต่อจากนั้นก่อนที่จะเรียนบาลีและมาเรียนบาลี ในアนาปาณาสติสังยุตเรียกว่าアาปาณาสังยุตคือรวบรวมเรื่องアอาปาณาสติไว้ทั้งหมดนี่จำได้หมดหลังจากนั้นเรียนได้หมดจำได้หมดเข้าใจได้หมดแล้วก็มั่นใจในเรื่องของอนาแต่ว่าในเรื่องของการปฏิบัติในบางครั้งเนี่ยอย่างที่นำพวกเราปฏิบัติคือアอาปาณาสติที่สอนกันแบบ แบบถือเป็นหลักฐานได้มีอยู่สี่สายในประเทศเรานะคือหลวงพอ่อลีรู้จักไหมเออหลวงพอ่อลีแล้วอีกหลวงพอ่ง อ, งพ อ, อ, งพอหนึ่งคือหลวงพ่อพุทธธาตุอีกหลวงพ่อหนึ่งคือคือใคไม่ใช่หลวงพ่อแล้วอาจารย์พรรู้จักไหอาจารย์พรพรรัตนสุวรรณอันนี้ก็สอนอนาณา แบบอุกฤษมันกันแล้วอีกคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องอาณาคือหมายความว่าที่เรต้องยกคนนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าของท่านนี่ระดับเป็นป ร, ปริยัติการ จ, จาร์นคือเอาทั้งบาลีทั้งอัตากาถาทั้งของเถรวาททั้งของมหายานเรียกว่าเอารวบยอดก่อมาคือสมเด็จพระพุทธาจาย์องค์ปัจจุบันประยุทธประยุทธโตหลวงพ่อประยุทธ์นี่แหละอืม เพราะฉะนั้นในเรื่องของอาณาเนี่ยในงานที่โลกยอมรับในปัจจุบันนี้มีอยู่หท่านมีอยู่สี่ท่านหนึ่งคือใครพระพุทธเจ้าสองพระสารีบุตรและในประเทศเราที่ยอมรับมีอยู่อีกสามท่านก็คือพระหลวงหลวงพอ่ออีกสองท่านที่โลกยอมรับก็คือหลวงพ่อพุทธทาสกับหลวงพ่อประยุทธ์แต่ในประเทศเรา ยกของหลวงพ่อหลีขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องอาณาก็จะอยู่ในท่านเหล่านี้แหละและอีกท่านหนึ่งที่ท่านจะนำมาใช้เป็นหลักในการสอนก็คือหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำแต่ที่โลกมักจะนำไปอ้างก็คือหลวงพ่อประยุทธ์หลวงพ่อพุทธทาสแต่ในบ้านเรานี่หลวงพ่อหลีหลวงพ่อหลีแต่ส่วนคารวะเนี่ย ก็มีสอนกันเยอะแต่ที่เขาให้ความเชื่อถือก็คืออาจารย์พลรัตนสุวรรณของพระพุทธเจ้าได้สอนเรื่องอาณาไว้เนี่ยเอาที่พระพุทธเจ้าก่อนอาณาปานาสติพระพุทธเจ้าจะสอนมาหลายที่ที่แรกเรียกว่าอาณาปานาสติสูตรมาในวินัยปิดม อันที่สองอาณาปานาสติที่มาในมหาสติสตปัฏฐานในส่วนที่เป็นกายานุปัสนาเรียกว่าอาณาปนาปภ ะ, พะปะพภะที่แปลว่าหมวดหรือ ว, ว่าหัวข้อทีนี้อีกที่หนึ่งก็คือมาในอนุสติอาณาปานสติมาในอนุตอานาานาสติสิบแล้วอีกอันหนึ่งก็คืออาณาปานาสติปะพภะเหมือนกันแต่มาในกายคตาสติ ในส่วนที่ว่ารู้เรื่องกายในกายยะคตาสติจะเอาอาณาปานาสติแค่สี่ข้อคือว่าด้วยเรื่องของกายคือทีคังว่าอัตสาสั่นโตทีคังอัตสามีทีประชานาติรัตชังว่างัตสาสั่นโตรัตชังอัตสามีทีประชานาติแล้วก็สัพปกายยะปฏิสังเวทีอัตสิสามีติสิกะริแค่นี้เพราะว่า ว่าด้วยหมวดของกายปัปปะแล้วก็มีอีกหลายที่ในวิสุทธิมัชอะที่บายอาณาปานาสติเป็นอาณาปานาสติสติบเพราะฉะนั้นในวิสุทธิมัชในกรรมฐาน40ที่เป็นอนุสติ10บมีส่วนหนึ่งที่ชื่อว่ากายคาอาาปานาสตินั้นได้นําอาณาปานาสติสิบขั้น จากอาณาปาลนสติสูตรนั่นแหละมาสอนทีนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรในเรื่องของอานาพระพุทธเจ้าสอนอาณาเนี่ ย, เ ร, ยเรียงลําดับขั้นเตรียมการไว้เนี่ยสี่อาจําไว้นะตรงนี้นะขั้นเตรียมการนี่เรียงไว้สคือหนึ่งบุคคลสถานที่สองนะสถานที่สาม การดำรงสติสามการนั่งและ4การดํารงสติบุคคลพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยกัลลาการยานชนเน้นไปที่ภิกษุเพราะสมัยที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมีแต่พระพอพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันมีแต่พระก็เลยจะเห็นคําสอนของพระพเจ้าขึ้นถึงขึ้ น, นถึงปั๊บ อ, อ, อิทักพิกขเวปิกุ อ, อววรอววัญญาคาต ว, วารุกมูลารารตวาสุนยาคารคารโตวาดูกนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระาศาสนานี้ไปในป่าก็ดีคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีเห็นั้ยบุคคลนี่พระพุทธเจ้าจะมุ่งไปสู่ภิกษุเป็นหลักเพราะว่าสอนประเทศทีมีแต่พระนั่งคนในปัจจุบันนี้เอาคำที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอิทภิกเวภิกขุเนี่ยมาอ้างแล้วก็กล่าวโจมตีว่า อาณาปานสติมันไม่ใช่ของคาราวาะของญาติโยมมันของพระเห็นไหมออออใครคนนี้ออกชื่อก็ได้นะดังตอนนี้กำลังดังเป่ <c oughs> นพวกให้มหาอุเทนวัดชนะสงครามแกไปปราบเองอะเราไม่ต้องไปพูดถึงแต่เขาบอกว่าชาวบ้านจะไปปฏิบัติอาณาได้ยังไงพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าตรัสว่าใครตรัสว่าพิกรุนี่เป็นโยมผู้หญิงท่านหนึ่งเขาเรียกกันว่าอาจารย์ นีนี้เรื่องของบุคคลต่อไปก็หลวงปู่ลีท่านกล่าวถึงบุคคลว่าเป็นใครหลวงปู่ลีก็บอกว่าบุคคลผู้ปรารถนาความสงบต้องการความสงบและหวังที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าสู่ความสงบก็ให้ใช้อนาปานานิ่นนันบุคคลอย่างนี้หลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อพุทธทาสพูดถึงบุคคลก็คือ มนุษยชาติหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยหมายถึงว่ามนุษยชาติใครก็ตามในโลกใบนี้ประสงค์ที่จะเข้าไปสู่ความสงบและความสุขอย่างจริงให้กับชีวิตนี้ก็สามารถที่จะเข้าสู่อนาณาได้หมดเลยส่วนท่านหลวงพ่อประยุทธ์ท่านกล่าวถึงบุคคลทั่วไปเหมือนกัน ที่มีศีลก็ให้ข่าวหาอาณาปันนรติเหมือนกันเรื่องของบุคคลทีนี้เรื่องของการสถานที่พระพุทธเจ้าจัดอรัญญะคโต ว, วาลุกามูละโต ว, วาใช่ไหมคืออยู่ในป่าก็ตามเรือนว่างก็ตามเออโคนไม้ก็ตามเรือนว่างก็ตามจนได้คนเดิมอีกอะ่ะมันเอามาอ้างอีก <c oughs> จะปฏิบัติอาณาพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติที่ไหน ไม่ใช่มานั่งปฏิบัติกันในศาลาอย่างนี้แกว่าแล้วก็มีขุนพยักลูกน้องใช่ค่ะใช่แล้วอาจารย์แม่อาจารย์แ ม, าาแม่ต้องไปอยู่ในป่าต้องอยู่ในโคนไม้อยู่ในเรือนว่างไม่ใช่มานั่งกันอยู่ในศาลาโองแงอย่างนี้ไม่ได้นี่เอามาอ้างเอามาอ้างแต่ทำไมพระเจ้าตึองตรัอย่างนั้นเพราะสมัยนั้นสอนที่ไหนอะ อยู่ในป่าอยู่ตามโคนต้นไม้และอีกเหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งอันนี้ธรรมามว่าเองนะแต่มันไม่ผิดไปจากนี้เหตุผลหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เพราะเพื่อกันบุคคลผู้แก้ยากที่มักจะอ้างเหตุผลสาหรับที่จะเข้าข้างตัวเองว่าไม่มีที่จะปฏิบัติ ในที่สุดพระพุทธเจ้าเลยจัดที่ที่ต้องมีแน่นอนคือโคนไม้เรือนโคนไม้ในป่าโคนไม้เรือ น, น, นร้างบ้านร้างซึ่งในสมัยนั้นมันเยอะจะอ้างว่าไม่มีที่ปฏิบัติไม่ได้ซึ่งข้อนี้เนี่ยในทัศนะของสมเด็จมหมาประยุทธ์สมเด็จของหลวงพ่อพุทธทาสของหลวงปู่ลีของใครๆเนี่ยก็มาลงเอ่ยตรงกันว่าที่ไหนก็ได้ที่มันสงบสงบ ห่างไกลจากเสียงห่างไกลจากความวุ่นวายสามารถที่จะนั่งปฏิบัติได้นี่ในขั้นเกี่ยนเกี่ยมการทีนี้ต่อไปปาลังกังอาพุจิตวาณิสซีติคือนั่งคูบาลังนั่งคู่บาลังหมายความว่านั่งม้วนขาเข้ามาหลวงพ่อพุทธทาสก็บอกว่านั่งคูบาลังเนี่ยนั่งม้วนขาเข้ามาแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเนี่ยจะดีที่สุด แต่ถ้านั่งไม่ได้หลวงพ่อพุทธทัดยังมีให้โอกาสคนนั่งเก้าอี้หลวงปู่หลีก็ให้นั่งเก้าอี้หลวงพ่อประยุทธ์นี่ยิ่งไปใหญ่เลยนั่งนั่งที่สบายตามที่ถนัดได้ถือว่าอาุมุณ์อโลยคือท่านครูบาอาจารย์นี่ท่านพูดเอื้อให้กับผู้ซึ่งจะมีโอกาสในการปฏิบัติไม่งั้นคนก็ไม่ต้องปฏิบัติกันแล้วสมบัติที่จะต้องมีในการเจริญอาณาปานัสี่คืออะไร ลมหายใจถ้าตราบใด ท, ที่เรามีลมหายใจอยู่แข้งขามันเดินไม่ได้อะไรมันเดินไม่ได้มันต้องเจริญอาณาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเบต้าครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเบต้าท่านไม่ไม่ไปเที่ยว เ, เข้มงวดในบางเรื่องทีนี้ต่อมา ปริมุขั้งสติงอุปัฏฐเปตวาเรียกว่าดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าข้อนี้เหมือนกันเลยทั้งหลวงพ่อพุทธตาธหลวงพ่อประยุทธ์หลวงพ่ออะไรหลวงปู่ลี่ใช่ไหม เ, ออเหมือนกันเลยคําว่าดํำรงสติอยู่เฉพาะหน้านี่หมายความว่าเตรียมสติให้พร้อม เตรียมสติให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการที่จะรู้ลมหายใจโดยเฉพาะของหลวงปุรีนี่ส่งตรงก็ไปเลยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยส่งตรงก็ไปเลยว่าให้เตรียมไม่พร้อมอยู่ตรงเหนือดิมฝีปากตรงจังหอยจมูกเข้าดูดูอยู่เข้ารู้แน่แ น, แน่เฉพาะอยู่ตรงนั้นไม่ต้อง ไม่ต้องวิ่งตามลมหายใจหลวงพ่อประยุทธ์ก็ให้ข้าวแน่รู้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องวิ่งตามลมหายใจหลวงพ่อพุทธศาสตร์ก็ให้ข่าวแน่นิ่งรู้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องวิ่งตามลมหายใจแต่อันตามานี่อ่านจากภาษาไทยตั้งแต่พรรษาที่สองอยู่ที่วัดพิญญาธิรพอดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าเราก็ เชื่อพระพุทธเจ้าว่าพระพุคุณอย่างพระเจ้านี่พูดอะไรแล้วไม่ไม่ไม่ไม่อย่างนี้ไงดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าคือดํารงอย่างไร เ, ออเพราะอะไรรู้ไหมพอเรานั่งปั๊บเราหลับตาลงนึกดูสิพอเรานั่งคูบาลังเสร็จตั้งกายให้ตรงเสร็จหลับตาพอดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าไอตัวที่เป็นสติที่จะไปรู้อยู่เฉพาะหน้า ซึ่งในความหมายของศัพท์นี้ในบาลีดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าถ้าลืมตาดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าพร้อมเสมอสำหรับที่จะรู้สิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าจิตให้จิตมันตื่นพร้อมที่จะรู้สิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าแต่ถ้าเราหลับตาเออถ้าเราหลับตาหลับตาเนี่ยดำรงสติอยู่เฉพาะหน้านี่เตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าสู่ลมหายใจเอาอะไรเข้าไปสู่ลมหายใจ เอาจิตที่รู้เข้าไปสู่ลหมหายใจตอนที่อาจามาอ่านภาษาไทยว่าดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าก็คือเอาสติไปวางไว้อยู่ที่เฉพาะหน้าของตนและจิตที่ไปรู้อยู่เฉพาะบนพื้นที่ผิวใบหน้าของเราเนี่ยเป็นจิตที่ตื่นคมตื่นคมแล้วก็มีพลังในการรู้สูงมากซึ่งต่างกัน ต่างกันในวิสุทธิมรรคและบางครูบาอาจารย์บางท่านที่เอาเรื่องนี้มาแปล ى, มาแปล ى, แล้วก็ตีความอธิบายว่าปริมูลังสติงอุปัตเถตวาดำรงสติอยู่เฉพาะหน้านั้นหมายความว่าเรื่องเราซึ่งจะเกิดขึ้นในเฉพาะหน้าจิตรู้ที่จะน้อมเข้าไปสู่ลมหายใจจากการที่วางใจอย่างนั้นน่ะมันมีกาลังน้อยมีกาลังน้อยเพราะนั้น เราก็พิสูจน์ได้จากคนปฏิบัติจากคนปฏิบัติก็จากพวกเรานี่แหละถ้าพอเรานั่งตั้งกายตรงนั่งหูบาลังตั้งกายตรงหลับตาดารงสติอยู่เฉพาะหน้าจิตถอยกลับมาจากทุกเรื่องและรู้สึกอยู่เฉพาะผิวพื้นผิวใบหน้าของตนหลังจากนั้นค่อยคอย วางจิตว้าตรงที่ช่องจมูกคือทางที่ลมเขผ่านเข้าออกจิตที่เคลื่อนออกจากใบหน้าเข้าไปสู่ช่องจมูกเนี่ยมันจะคมและมันจะให้จะมันมีพลังมากกว่าแต่ก็ของพระสารีบุตรของพระสารีบุตรนั้นได้อธิบายไว้ ดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าก็คือนํำติดจิ ต, ตมาวางไว้เหนือริมขี้ปากตรงเนี้ยช่องจมูกเนี่ยแล้วก็รู้อยู่ตรงนี้เลยไอ้ น, นี่อาจารยมาเนี่ยมันไปอ่านฉบับปฐไทยใช่ไหมดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าก็เอาไ้ประโยคนี้แหละมาปฏิบัติดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าลองคิดสิถ้าเราเขียนว่าดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าเราจะปฏิบัติยังไง เอาสติมาไว้เฉพาะหน้าก่อนสติรู้แล้วคือความระลึกความนึกหันกูระลึกไว้หน้ากูก่อนเลยปรากฏดีกลายเป็นสภาวะที่มารองรับต่อความรู้และการฝึกการปฏิบัติดีจึงนําปฏิบัติด้วยให้คนนั้นดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าในลักษณะที่เราปฏิบัติแล้วได้สภาวะถามว่ า, วามันผิดไหมไม่ผิดหรอกไม่ผิดเลยเพราะเป็นการเตรียมตัวเพื่อพุ่งเข้าสู่ลมหายใจ เตรียมจิตที่รู้พุ่งเข้าสู่ลมหายใจแต่ถ้าเราไปยึดเอาตำราใดาตำราหนึ่งหรือครูบาอาจารย์หรือใครท่านผู้รู้คนไหนที่เขาไปยึดเอาตำราใดาตำราหนึ่งเขาก็จะมาพูดว่าปริมุขังสติงอุปตะเปตวานันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นโดยเฉพาะอัตามาเรียกเวลาเรารู้สึกที่ใบหน้านี่นะใช้ศั์ใส่เข้าไปเลยว่ามุขมนฑนไม่มีหรอก ไปหาไม่เคยได้ยินหรอกอัตมาเรียกเองมุขะบนตนแปลว่าพื้นที่ใบหน้าเขาบอกมุขะมันไม่ใช่แปลว่าหน้านะไปหาให้ดีเพราะว่ามุขะเนี่ยแปลว่าประธานก็ได้เห็นไหมแปลว่าปากก็ได้แปลว่าหัวหน้าก็ได้แปลว่าหน้าก็ได้มันแป ล, ไ ด, ปลได้หลายอย่างไงมุขะเนี่ยก็เลยเรียกตรงนี้ว่า มุขะบนทนเป็นพื้นที่สำหรับให้คนปฏิบัตินั้นวางจิตเตรียมตัวเรื่องของตัวรู้สำหรับที่จะเดินเข้าไปสู่ลมหายใจเพราะนั้นเลยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรกับการที่เราจะต้องมีบางคนมาพูดว่าอย่างนี้คือพูดไปตามตำราตามศัพท์ถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดพูดได้ แต่เราจะต้องเอาความรู้ของเราไปรองรับสภาวะที่ปรากฏว่าเราเดินจิตเข้าไปสู่อะไรแล้วมันได้ดีเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นเพราะฉะนั้นในขั้นเตรียมการเนี่ยทั้งของพระพุทธเจ้าทั้งของใครในอานาปานสติเนี่ยทั้งหมดเลยบุคคลสถานที่เห็น ไ, ไหมการนั่งและการวางใจการวางจิตพอวางจิตเสร็จต่อจากนั้นของหลวงพ่อลีของหลวงพอ่ อ, งงพอพุทธทาสของ หลวงพ่อประยุทธ์เนี่ยท่านจะรวมปริมูกั้งสติงุปัตเป ต, ตวาโซสโตวะอัสติสโตปะสะสัสติไว้เข้าด้วยกันว่าให้ดำรงสติไว้ตรงช่องจมูกที่ลมหายใจผ่านข้าวออกไม่ต้องวิ่งตามลมหายใจเออแต่ของเราเนี่ของอัตรมารนี่เนื่องจากว่ามันไปอ่านฉบับภาษาไทยฉบับสยามรัฐ ในสมัยนั้นภาษาที่สองขี้ขุนเตมอ่านไปก็คันไปนะมันเก่าเพราะว่ามันไม่มีใครเคยเปิดเลยกระดาษมันขาดหมดแล้วเออมันก็เขียนไว้ดำรงสติอยู่เฉพานะหน้าสติมันแปลว่าระลึกไว้เราก็เอาก่อนเลยโอ้มากลับดีพอ ม, มาเรียนภาษาบาลีศึกษาในพระสูตรต่างๆโดยเฉพาะก่อนที่จะมาสอนเรื่องอาณาปณติเนี่ยศึกษาอาณาปณาาสังยุทธหมด ญาณคือความรู้ที่จะเกิดจากอาณาสองยญาณในใ น, ในปฏิสัมพิธามรักนะก็ดูหมดซึ่งไม่สามารถไม่สามารถที่จะจับสิ่งเหล่านั้นมายัดใส่ใครคนใดคนหนึ่งได้ทุกคนจะต้องดำเนินการตามที่พระพุทธเจ้าสอนเท่านั้นเมื่อดำเนินตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วได้ความรู้มีสภาวะมารองรับนั่นแหละเรารู้ของเราเอง ทุกครั้งที่เรารู้ลมหายใจมาต้งบอกว่าไม่มีใครที่รู้ลมหายใจแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงของจิตจิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกคนเมื่อรู้ลมหายใจแล้วอั น, นี้คุยกันเรื่องของอนาปานาสติและเป็นอารมณ์กรรมฐานอันเดียวชนิดเดียวพูดอย่างนี้อีกนะเป็นอารมณ์กรรมฐานอย่างเดียวชนิดเดียวที่พระพุทธเจ้า สอนมากที่สุดแล้วย้ำสมำเสมอเลยว่าอาณาปานสติอันบุคคลจะเริญนแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์เราพูดกันถึงเรื่องสติปัฏฐานใช่ไหมเออเราจะต้องปฏิบัติสติปัฏฐานบางคนบอกว่าสติปัฏฐานี่แยกออกมาเป็นสี่ส่วนครั้งแรกเราจะต้องปฏิบัติตามหลักของกายานุปนัสสนากร พอเราปฏิบัติกายานุปัสนาจบเราก็เลื่อนชั้นเข้าไปปฏิบัติเวทนานุปัสนาพอปฏิบัติเวทนานุปัสนาจบเลื่อนชั้นเข้าไปจบเข้าปฏิบัติจิตตานุปัสนาพอจิตตานุปัสนาจบจึงเลื่อนชั้นไปปฏิบัติธรรมานุปัสนาบางคนบอกตอนนี้จบเวทนานุปัสนาแล้วกําลังขึ้นจิตตานุปัสนาบางคนบอกจิตานุปัสนาก็จบแล้วกําลังจะขึ้นธรรมานุปัสนา จะบอกอะไรให้รู้หมเพอร์เจอร์ดูหมิม่นพระพุทธเจ้าถ้ามันง่ายอย่างนั้นหรือถ้ามันยากอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ไม่ต้องตรัตรู้ขนาดนี้กายานุปัสสนาก็ตามเวทนานุปัสสนาก็ตามจิตตานุปัสสนาก็ตามธรรมานุปัสสนาก็ตาม รู้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งหมดเข้าใจไหมเอ่ออนิจจสัญญาเอา่ออนิจจสัญญาคือความรู้ที่มันเกิดขึ้นแล้วจิตยังเห็นซึ่งความเป็นอนิจจังของขันห้าเรียกว่าอนิจจสัญญาพอเขาเกิดขึ้นปับ๊บเห็นกายเป็นอนิจจสัญญาเวทนาจะเป็นอนิจจสัญญาไหม เป็นไหมสัญญาจะเป็นไหมสังขารจะเป็นไหมวิญญาณจะเป็นไหมเป็นถ้าเห็นกายเป็นอนิจจะสัญญาแต่เวทนายังไม่เป็นต้องไปฝึกก่อนสัญญายังไม่สังขารยังไม่เป็นต้องไปฝึกก่อนมันจะได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะนามขันอาศัยรูปขันถูกไหมเออถ้าไม่มีรูปขันนามขันอยู่ได้ไหมไม่ได้ เมื่อนา ม, มาขันมันอาศัยรูปขันเนี่ยหมายความว่าเห็นรูปขันเป็นอนิจจสัญญานั่นหมายความว่านา ม, มาขันก็เป็นอนิจจสัญญาด้วยอ๋อพระพุทธเจ้าตอกย้ํำกันไปอีกพระพุทธเจ้าตอกย้ำกันว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่มีการเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงไปเหล่าเนี้ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระตอบไม่เที่ยงพระเจ้ากะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขหรือเป็นทุกข์เล่าไอ้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่า เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดที่เป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาหรือเป็นอตตาเป็นอนัตตาพระเจ้าค่ะอ่านี่พระพุทธเจ้าที่ตบกะโหลกหมดเมื่อเห็นสิ่งใดไม่เที่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นรูปเป็นนามนะไม่ใช่ข้างนอกนะเออเห็นรูปเป็นรูปนามนี้นะไม่ใช่รูปนามคนอื่นนะ มีอนิจจสัญญาลงไปเห็นความไม่เที่ยงของรูปของนามหรือของขันห้าอันใดอันหนึ่งแล้วทั้งหมดมันจะเป็นอนิจจสัญญาไปด้วยพอเป็นอนิจจสัญญาเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นแหละมันจะมีอนัตตสัญญาเกิดตามอันนี้พูดเกินถึงเรื่องของการเห็นเข้าถึงไอ้มหาสติที่เข้าไปสู่มหาสติฐานฐานใดฐานหนึ่ง ข้าวานใดท่านหนึ่งจะได้ทันทีไม่ต้องไปเที่ยวกังวลว่าเราได้แค่ชั้นกายไม่ได้ชั้น ไ, นได้ชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วได้หมดแล้วก็ตัวที่จะพิสูจน์เราอีกครั้งตัวหนึ่งก็คือตัวอาณาปานาสติที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละอาณาปานาสติอันบุกใครอบรมแล้วจำเรือนแล้วทําให้มากแล้วย่อมทําให้สติประฐานสี่บริบูรณ์สติประธานสีคืออะไรกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหม แค่ทำอ า, า, าณาบาลนตสติทำไมสติปฐานสี่มันเกิดขึ้นเราฮะเพราะในอ า, น า, าณาบาลนตสติมันมีอะไรมันมีกายมีเวทนามีจิตและก็มีธรรมแค่เรารู้เราหายใจมันมีกายอะไรคือกายฮ ะ, ฮะเออ เข้าใจไม่ฟังทันไหมเนี่ยอะอันนี้อัดเผยแพร่ได้เลยนะ <c oughs> อาณาบาลนสัสติรู้ลมหายใจทำไมมันเพราะในการรู้ลมหายใจมันมีกายมีเวทนามีจิตแล้วก็มีธรรมอะไรเป็นกายอะลมหายใจนั่นแหละคือกาย ลมหายใจคือกายเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายใช่ไหมอะไรเป็นเวทนาอะไรเป็นเวทนาเอ๊ะเยบไหนพูดดิอะไรเป็นเวทนารู้ไหมเมื่อ เมื่อจิตอยู่ในสาภาวะที่รู้ลมหายใจในเนื้อลมหายใจนะแล้วก็เกิดเป็นปิติขึ้นมาปิติคือเวทนาปิตินะคือเวทนาสุขนะ่ะคือเวทนาอาการที่จิตมันเกิดปิติอาการที่จิตมันเกิดเป็นสุขขึ้นมาโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอก จากการที่เขารู้ลมหายใจแน่่อย่างต่อเนื่องและเกิดเป็นปิติเกิดเป็นสุขขึ้นมานั่นคือเวทนาแล้วอะไรล่ะที่เป็นจิตตานุปัสสนาอะไรที่เป็นจิตตานุปัสสนาตัวเวทนายังมีอีกนอกจากปิตินอกจากสุขแล้ว คือตัวฮะตัวเจตนาตัวสัญญาตัวมนสิการตัวเจตนาเห็นม้่งยังหลายคนเห็นเวทนาแล้วเห็นที่เราเห็นเจตนาเนี่ย อย่างเราไปถึงปั๊บเรารู้ลมหายใจหยุดเราหายใจรู้ลมหายใจไปรู้เสร็จแล้วเรารู้ลมหายใจหยุดในจังหวะที่เรารู้ลมหายใจหยุดเราเห็นจิตเรารอคอยการมาของลมหายใจเห็นไมมันเหมือนกับว่าตอนนี้มันไม่ได้รู้ลมหายใจแต่เหมือนเรานั่งรอลมหายใจว่าเมื่อไหร่มันจะมาเหมือนพระเช้าที่บอกว่าเหมือนแมวคอยจ้องที่จะจับหนูจิตมันนิ่งอยู่กับความหยุดความเฉยความนิ่งความที่ไม่มีลมหายใจเคลื่อนเข้าเคลื่อนออก และในสภาวะนั้นมันเกิดความรู้สึกว่าเรากำลังจ้องรอลมหายใจว่าเมื่อไรมันจะมาไอตัวที่มันรอคอยจ้องรอลมหายใจมันคืออะไรคืออะไรรู้ไหมมันคือเจตนาเราต้องดูยังไงเราก็ดูเจตนานี่แหละเจตนาตัวนี้มันเป็นเวทนานุปัสนาดูมันก็ไปที่เจตนาตัวนี้ เมื่อลมหายใจมาเราก็รู้ลมหายใจพอลมหายใจหยุดถ้าจิตมันมีเจตนาสําหรับที่จะไปรู้หาลมหายใจเราก็ต้องไม่ตกใจดูเจตนานั้นรู้เจตนานั้นพอเห็นเจตนานั้นดับปั๊บจิตจะสนิทอยู่กับลมหายใจหยุดโดยธรรมชาตินี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าเจตนาจะเป็นตัวบังจะเป็นตัวบังลมหายใจหยุดของเรา ไม่ให้มันเป็นธรรมชาติเจตนาจะทำหน้าที่บงังบังไม่ให้เราเห็นลมหายใจหยุดจังหวะที่เรารู้และลมหายใจหยุดของเราสังเกตไหมว่าเราลมหายใจหยุดของเราจะทาให้จิตเราอยู่บริเวณไหนสังเกตสิเขาจะอยู่บริเวณนี้ถ้ามีการอธิบายว่าเมื่อยามลมหายใจหยุด จิตจะไปปักอยู่ที่นี่เอ้ยที่ที่นี่ถ้ามีอาการอาธิบายแบบนี้แสดงว่าไงเรามีสภาวะรองรับไหมมีสภาวะรองรับไหมไม่มีถ้าไม่มีอะลอยวางไว้ก่อนเพราะมีหลายคนอธิบายว่าจิตปักอยู่ตรงนี้ในขณะที่ลมหายใจหยุด ต, ตรงนี้ก็ชี้นี่คืออะไร คือหัวใจหัวใจภาษาวิสุทธิมรรคนั่นให้เรียกว่าหัทัยวัตถุหัทัยวัตถุเป็นที่พักของจิตยามที่จิตไม่ได้ไปเสวยอารมณ์ใดๆปักอยู่ตรงนี้และอธิบายว่ายอย่างละเอียดละอว่าในหัวใจนั้นจะมีกลางหัวใจจะมีแองแองหนึ่งเรียกว่าแองน้ําเรียงหัวใจในแองนั้นจะมีเลือดเป็นสีต่างๆ ถ้าคนโทสัจจริตในแอง น, นี้จะมีเลือดเป็นสีแดงออกดําถ้าเป็นคนราคะจริตในแอง น, นี้จะมีเลือดเป็นสีแดงถ้าคนโบหะจริตในแอง น, นี้จะมีเลือดเป็นสีช้ำๆเหมือนน้ําล้างไ อ, อ้ถั่วพลูเหมือนถั่วพลู ois, เราขย้ำขย้าขย้ำแล้วเอาน้ํามาล้างน้ําออกมาสีเรื้อเืๆออย่างนั้นอะ่ะจะเป็นน้ําอยู่ในแองผ่าหัวใจออกมาดูจะเห็นแองแองเล็กๆ ในแอ่งนี้จะมีน้ําน้ําจะสีไม่เหมือนกันเป็นไปตามจริตของคนไอ้นี้วิสุทธิมรรคอธิบายแต่เราปฏิบัติแล้วเรามีสภาวะรองรับไหมว่ายามที่ลมหายใจเราหยุดอะเรารู้สึกว่าตัวรู้ความหยุดของเราจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่ามันไม่ใช่อ่ะพอปฏิบัติไปแล้วเวลาลมหายใจหยุดเรารู้สึกว่าเรานิ่งอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมเป็นวงอย่างนี้ใช่ไหมเออถ้าอย่างนี้แสดงว่าอะไรความรู้ที่เรามี มันมีสภาวะรองรับปรากฏ ต, ตรงนี้ก็เอาตรงนี้ไปก่อนเมื่อลมหายใจหยุดจิตมีความนิ่งความอุเบกขาความวัางเฉยมาเป็นอารมณ์ก็ความนิ่งนั้นจะอยู่บริเวณนี้แต่ในระหว่างนั้นเราไม่ไดเอาอุเบกขามาเป็นอารมณ์เราไม่ไดเอาลมหายใจหยุดมาเป็นอารมณ์มันเกิดสิ่งซ้อนขึ้นมานะักขนานั้นคือมันจะไปหาลมหายใจไอตัวที่จะไปหาลมหายใจนี้แหละเรียกว่าเจตนาเจตนานี่มันเป็นอะไร มันเป็นจิตตะสังขารพอเป็นจิตตะสังขารนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเป็นเวทนาะเออมันเป็นเวทนาะเวทนานุปัสนาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราดูเจตนาตัวนี้ดูไปดูไปดูไปดูเรื่อยเรืื่รพอเวทนาไอไอเจตนาตัวนี้มันดับถ้าเจตนาตัวนี้มันดับปั๊บ สภาวะลมหยุดที่มันปรากฏอยู่ในขณะนั้นจะเป็นอารมณ์ของจิตรู้จิตรู้จะอยู่กับลมหายใจหยุดที่เป็นธรรมชาติเดยทีเดีและถ้าหากว่ามันมีเจตนามาอีกจิตก็จะเห็นเวทนาถ้ามีเจตนามาอีกมันก็จะเห็นเจตนาเห็นเนเจตนาที่มีการเกิดขึ้นและก็ดับไปเป็นธรรมชาติแต่ตอนที่เรารู้สึกใช้คาภาษาไทยว่า กำลังรอคอยลมหายใจนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเอารู้และเราไปอยู่ในสภาวะคือเจตนามันกลายเป็นว่าเรากำลังรอลมหายใจวิ่งหาลมหายใจทำไมลมหายใจยังไม่มาลมหายใจมันไปไหนนั่นแสดงว่าเราไม่ได้รู้แล้วจิตรู้ของเราจมอยู่กับสภาวะที่ปรากฏแท้ที่จริงตรงนั้นมันคือเจตนา แต่ที่จริงตรงนั้นมันคือเจตนาเอาจิตตานุปัสสนาจะต้องเริ่มต้นที่จิตใช่แต่ที่มันอยู่ในรูปแบบของเวทนาเพราะว่ามันอาศัยสัญญาอาศัยสัญญาอาศัยเวทนา มันอาศัยสัญญาที่มันมาปรุงแต่งจิตได้เพราะมันอาศัยสัญญาสัญญาเจตนามโนสีการล้วนเป็นเวทนาก็ต้องดูไปอย่างนี้แหละดูเจตนาเพราะเร า, เราไม่เคยเห็นว่ามันเป็นเจตนาไงเพราะอะไรเพราะเรากระโดดเข้าไปอยู่กับมันแล้วเรากระโดดเข้าไปอยู่กับมันแล้วเราก็กลายเป็นว่าเรากาลังทาอะไร เรากำลังรอลมหายใจไอ้นี่พูดไปบางทีหลายๆคนนะ่ะมันเคยเกิดสภาวะแบบนี้แต่มันพอร อ, ร อ, รอคอยลมหายใจพอลมหายใจมามันกลายเป็นลมหายใจอะไรกลายเป็นลมหายใจหยาบพอกลายเป็นลมหายใจหยาบจิตเราก็หลุดออกไปเสเวยอารมณ์อื่นเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องนั้นเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องนี้นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ามันต้องกลับไปเริ่มอะไรใหม่ เรมต้นรู้ลมหายใจใหม่ก็ไล่กลับอีกพอไปถึงมันเหมือนกับลมหายใจหยุดแล้วมันวิ่งหาลมหายใจอีกแล้วพอมันวิ่งหาลมหายใจอีกแล้วเฮ้ยลมหายใจหายไปไหนพออยู่พอลมหายใจมากลายเป็นลมหายใจหยาบจิตรู้ในลมหายใจหยาบเป็นปกติก็หลุดออกมามันก็จะไปตันตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครไปถึงตรงนี้จําไว้พอจิตมันวิ่งหาลมหายใจเนี่ย ให้ดูไอตัวที่มันวิ่งหาลมหายใจตัวนั้นแหละเป็นตัวเจตนาไม่ต้องไปสนใจลมหายใจดูตัวเจตนาที่จะวิ่งหาลมหายใจพอดูตัวนี้ปั๊บมันดับมันดับแล้วมันจะทำให้สภาวะที่ลมหยุดนั้นเป็นธรรมชาติขึ้นมาทันทีไม่มีตัวบังไอเจตนาที่เกิดมันดับไปแล้วมันทำให้สภาวะลมหยุดนั้นก็หยุดอยู่สภาวะอยุดลมหยุดเป็นธรรมชาตินิ่งอยู่ จิตมันหลีกออกจากลมหายใจทันทีสภาวะที่จิตหลีกออกจากลมหายใจที่พระที่ท่านกล่าวไว้ว่าอัศสาสะปัตสาสาอัศสาสะปัตสาสาวิวัตเตติว่าจิตตังวิวัตเตติเนี่ยคือจิตหลีกออกจากลมหายใจออกหลยออกจากลมหายใจเข้าอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะไปกำหนดให้จิตมันหลีกออกมาจากลมหายใจได้ไม่ใช่ แต่สภาวะที่เราเย็นลมหายใจของเราหยุดแล้วมันมีมันมีความรู้สึกว่าจะต้องวิ่งหาลมหายใจถ้าเราสามารถดูเจตนาในการที่จะเข้าไปหาลมหายใจได้ดูฐานะที่เป็นเจตนาอย่างนี้ถ้าเจตนาตัวนี้ดับปั๊บจิตใจอยู่กับอุเบกขาคือความที่ลมหายใจมันหยุดพราะความอยู่อยากเป็นธรรมชาติอย่างนี้เมื่อลมหายใจออกเกิดตามธรรมชาติของกาย จิตที่อยู่กับผูเบขาเนี่ยมันก็จะเพียงแค่รู้ลมหายใจนั้นไม่ต้องอาศัยเจตนากระโดดเข้าไปเพื่อกําหนดให้ลมหายใจมันออกกระโดดเข้าไปเพื่อกําหนดให้ลมหายใจมันเข้ากระโดดเข้าไปเพื่อที่จะไปรู้นั่นรู้นี่ไม่ต้องเพราะร่างลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกอยู่นั้นเป็นลมหายใจอันเป็นธรรมชาติของอะไรนั่งกันอยู่นี่หายใจไหมล่ะเออได้เข้าไปตั้งใจไหมกับลมหายใจอ่ะไม่ได้เข้า คือเราไม่ได้ตั้งใจลมหายใจมันร่างกายของเรามันหายใจของมันอยู่แล้วแต่เมื่อเราเริ่มปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงใช้ศัพท์ว่าปัญญาติสิกขิต่อเนื่องไปเรื่อยๆปัญญาตินะั่นคือกําหนดรู้นี่นั่งฟังๆกันอยู่บอกอา้าวนั่งสมาธินั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าแล้วก็เริ่มการรู้ลมหายใจก็ต้องกําหนดก่อนใช่ไหมสร้างสภา นำสภาวะรู้มาเตรียมพร้อมแล้วก็กำหนดนำสภาวะรู้นั้นเข้าไปสู่ลมหายใจอาการที่เรายกจิตเข้าไปสู่ลมหายใจนั่นแหละคือการกำหนดแต่การกำหนดตัวนั้นนะ่ะมันเป็นตัววิตกยกเข้าไปอาการที่ยกจิตเข้าไปเพื่อเข้าไปสู่ลมหายใจทั้งไหลออกและไหลเข้านั้นนะ่ะมันเป็นการกำหนดพระพุทธเจ้าจึงใช้ศัพท์ว่าปชานาติ ปะนะั่นมันแปลว่าทั่วข้างหน้าก่อนออกชาณาตินั่นแปลว่ารู้อยู่หรือย่อมรู้ทีนี้ปะชาณาตินั่นแปลว่ารู้ทั่วรู้ชัดอาการที่จะนำจิตซึ่งมันคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนั้นอยู่ให้มันไปรู้ชัดต่อลมหายใจที่ไหลออกมันจึงต้องมีการกำหนดนั้นบางท่านครูบาอาจารย์ท่านนึ่งสอนว่ากาหนดรู้ลมหายใจที่ไหลออก แต่เขาจะไม่พูดว่ากำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกเขาจะต้องพูดว่าไงต้องพูดว่ากำหนดรู้เออกำหนดรู้ลมหายใจไหลเข้ากำหนดรู้ลมหายใจไหลเออกกำหนดรู้ลมหายใจไหลออกเขาจะไม่พูดว่ากำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกถ้ากำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจขอกนั่นคืออะไรโยคะใช่ไหม โยคะหรือว่าอะไรวรยุทธ <laughs> <laughs> วรยุทธไทยเก๊กฝ่าลุนกงอะไรเขาเรียกไปเถอะ <c oughs> อันนั้นเขาเรียกว่า <c oughs> กำหนด <c oughs> ลมหายใจเข้า <c oughs> กำหนดลมหายใจออกฝ <c oughs> ึกลมปราณ <c oughs> แต่โดยทั่วไปเดี๋ยวนี้ที่เราเห็นชัดๆคือโยคะ <c oughs> แต่พอเรามาเรียกว่าบางคนบอกโอ้ย <c oughs> โยคะ ก็คือการเริญอาณาปานาสติถูกไหมฮะถูกไหมดูถูกพระพุทธเจ้าอีกอะ่ะเออไม่ถูกโยคะจะไปเดินอาณาปานาสติได้ไงเพราะโยคะมันคือกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกมันจะต้องกำหนดรู้ไอ้รู้ตัวนี้อที่ไล่ตามลำดับมามันจึงต้องมีขั้นเตรียมการสร้างตัวรู้ขึ้นมา นำตัวรู้ขึ้นมาตรงไหนปริมุขังสติงอุปั ต, ตะเปตวานั่นแหละดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าคือให้มีสติอยู่เฉพาะหน้าก่อนรู้ตัวนั้นน่ะหลังจากนั้นยกรู้นั้นเข้าไปสู่ฐานที่ตั้งของจิตสำหรับที่ลมหายใจเ็าผ่านเข้าผ่านออกแล้วก็รู้ลมตรงนั้นรู้นั่นน่ะอาการทั้งหมดเลยที่ยกจิตรู้เข้าไปเพื่อรู้ลมหายใจนั่นคือการกาหนด เราจึงเรียกว่ากำหนดรู้ครั้นกำหนดรู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตัวกาหนดเป็นยังไงมันจะไปจบตรงไหนตัวกาหนดจะไปจบตรงไหนตัวกาหนดจะเบาลงไปเรื่อยๆและจะไปสุดตรงเจตนาอ้าวลองไล่ลาลดับไป พอเราประชานาติไปเรื่อยกําหนดรู้ไปเรื่อยกําหนดรู้ไปเรื่อยกําหนดรู้ไปเรื่อยในขั้นปฏิบัติอันตรมาก็จะนําโยมว่าสัพพายะปฏิสั่งเวทีอัศศิษามีติสิกขติมันเกิดคําว่าสิกขติขึ้นมาแทนคําว่าประชานาติตรงนี้สิกขติ ค, คือการศึกษาเรียนรู้อนอกจากกําหนดตอนแรกเรากําหนดรู้ใช่ไหมกําหนดรู้ลมหายใจเข้ากําหนดรู้ลมหายใจออกกาหนดรู้ลมหายใจเข้ากําหนดรู้ลมหายใจออก เมื่อลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดรู้จิตที่กาหนดรู้ลมหายใจราบเรียบชัดเจนอย่างนั้นแล้วมันจะต้องทำให้มันยิ่งขึ้นไปกว่านั้นให้มันยิ่งไปกว่าการกาหนดรู้เรียกว่าสิกิติคือการศึกษาเรียนรู้ ศึกษาเรียนรู้เข้าไปสู่ลมหายใจที่ไหลออกตั้งแต่ต้นลมกลางล ม, ลมปลายลมจนสุดลมหายใจศึกษาเรียนรู้เข้าไปลักษณะเรียนรู้ลมหายใจลมหายใจซึ่งถูกศึกษาเรียนรู้นั้นมันจะมีอาการแปลกแตกต่างไปอย่างไรเช่นว่าหยาบปราณีตละเอียดยาวสั้น เ, เบาแรงกลางอเล็กตั้งแต่ลักษณะของลมหายใจที่มันปรากฏขึ้นมาตามการศึกษาเรียนรู้ พอมันเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆสิคติไปเรื่อยๆมันจบในเนื้อลมหายใจพอมันจบในเนื้อลมหายใจมันก็ไม่มีแล้วมันก็แค่ลมเข้ามันแค่ลมออกพอมันไปทำการศึกษาเรียนรู้เรียนรู้มันก็จบพอจบเสร็จต่อไปมันศึกษาเรื่องอะไรมันเกิดอะไรขึ้นพอจิตมันจบในเรื่องของลมหายใจมันก็จะคลายตัวออกมามันไม่มีอะไรจะให้ไปศึกษาเรียนรู้แล้วที่ลมหายใจ พอลมหายใจเกิดปั๊บมันรู้หมดว่าลมหายใจเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันรู้ไปหมดแล้วเพราะเกิดจากการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่ชื่อว่าสิกติติที่พระพุทธเจ้าตรัสภกายะปริสั่งเวทีอัจฉริยะมีติสิกิติชั่วโมงนี้นี่เป็นชั่วโมงของอนาปันสติแบบอลังการเลยนะเนี่ยแบบอลังการเลยนะเนี่ยช่วงมงนี้ย่หาฟังไม่ได้หรอกที่นี่พอศึกษาเรียนรู้เนื้อลมหายใจตั้งแต่ต้นลมกลางลมไปแป๊บเดียวอะ ถ้าจิตรู้ที่ลำดับปฏิบัติมาเป็นลำดับมาถึงตรงนี้เขาจะมีกำลังในการเรียนรู้แรงมีกำลังมากเพราะฉะนั้นลมหายใจมันก็ ล, ลมออกลมเข้ามันจะมีอะไรเข้าไปศึกษาเรียนรู้นักหนามันก็มีแค่อาการที่เราจะสามารถเข้าไปรู้ได้ซึ่งมันเหมือนเหมือนกันถ้าเราจับแก้วมานี่บปงอยมันแปลกดีไว้ศึกษาเรียนรู้ข้มามาดูแลโอ้มันเป็นแก้วสองชั้น อ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้มันจะจับศึกษาอย่างนี้ได้นานไหมแป๊บเดียวมันก็รู้แล้วใช่ป่าวเออพอมันรู้ปั๊บมันก็วางแล้วแก้วใบนี้ถูกไหมเออมันก็วางแล้วลมหายใจก็เหมือนกันลมหายใจออกมันไม่มีอะไรลมหายใจเข้ามันก็ไม่มีอะไรอาการที่มันแปลกประหลาดแตกต่างออกไปของลมหายใจมันก็ไม่มีอะไรมียาวมีสั้นมีแรงมีเบา มีประณีตมีละเอียดมีเป็นขยอกขยักออมีเป็นอะไรเป็นอะไรปรั๊บมันรู้ไปหมดในลักษณะของการศึกษาเรียนรู้แต่เมื่อมันศึกษาเรียนรู้แล้วพอลมหายใจออกมาปั๊บมันมันไม่ต้องไปศึกษาเรียนรู้แล้วอะคือมันรู้ไปจบกระบวนการของมันจากการศึกษาเรียนรู้แล้วถูกไหมพอลมหายใจมาปั๊บมันก็แค่รู้อาการแค่รู้จึงเกิดขึ้นจากการศึกษาเรียนรู้มันก็เลย แค่รู้พอแค่รู้มันปรากฏอะไรทีนี้พอแค่รู้มันเลยให้เห็นลมหยุดไงพอแค่รู้ปั๊มันก็ให้เห็นลมหยุดสภาวะที่ลมหยุดปรากฏขึ้นตอนที่เราเรียนรู้ลมหายใจจบแต่เมื่อสภาวะลมหยุดมันเกิดนั้นมันยังไม่เห็นโดยทาโดยจริงจังเข้าไปมันจะมี ตัวเวทนาที่ซ้อนขึ้นมาในสภาวะที่ลมหยุดมันบังกันอยู่ตรงนั้นจึงเกิดเป็นปิติขึ้นพอมันศึกษาลมหายใจเรียนรู้ลมหายใจจนจบเสร็จมันวางแล้วมันแค่รู้ลมหายใจแล้วแล้วมันจะทำอย่างไรล่ะ สภาวะลมหยุดมันจึงปรากฏแต่พอลมหยุดปรากฏไอตัวหนึ่งทึ่งมันเกิดขึ้นมาคือตัวปิติจิตมันก็เกิดการอิ่มเพราะว่ามันไม่ต้องไปทํางานการเรียนรู้ลมหายใจแล้วมันจึงเกิดเป็นปิติพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปิติปฏิสั่งเวทีอัศศิษฐามีติสิกติศึกษาเรียนรู้ปิติมันจึงเกิดขึ้นมาอย่างนี้พอพระพเจ้าบอกศึกษาเรียนรู้ปิติอ้ามเออพอศึกษาเรียนรู้ปิติลมหายใจเป็นยังเป็นแค่อะไร แค่สิ่งที่แค่รู้เรว่าเรหายใจเข้ามาเราก็รู้ลมหายใจออกมาเราก็แค่รู้ถ้ามันยังไม่มาตอนนั้นคือร่างกายเริ่มหายใจเองลมหายใจเริ่มเป็นธรรมชาติจิตอยู่สภาวะลมหยุดแล้วแต่มีปิติ้อนขึ้นมาก็ไปศึกษาปิติเอาปิติมาเป็นอารมณ์ของจิตรู้ศึกษาดูซิเอาปิติเกิดมาเป็นยังไงอาการเป็นยังไงอยู่กับปิติลมหายใจเข้ามา ร, มาามารู้ลมหายใจออกมารู้ สภาวะที่ลมหยุดมีปิติต้องอยู่ก็ศึกษาปิติศึกษาไปศึกษาไปศึกษาไปปิติมันก็เป็นสภาวะธรรมที่มันมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพอแป๊บเดียวมันก็รู้พอ ป, ปิตินั้นทําการสงรบระับตัวมันเองลงมาเป็นปัจสถานเรายังเห็นเป็นปิติอยู่มันก็เกิดเป็นความสุขพระพุทธเจ้าบอกสุขะปฏิสั่งเวทีอัจฉริสัมมิติสิกขติสุขะ ป, ปฏิสั่งเวทีปัจฉริสามีิติสิกขติ ก็จิตมันปิติมันดับไปแล้วตอนนี้มันเกิดเป็นความสุขความสบายความรื่นเริงขึ้นมาก็อยู่กับสุขเอาสุขมาเป็นอารมณ์จิตทําอะไรสิกขิคือศึกษาเรียนรู้สุขนั้นเมื่อลมหายใจเข้ามาก็รู้ลมหายใจออกมาก็รู้ลมหายใจเข้ามาก็รู้แต่ศึกษาเรียนรู้สุขที่เกิดขึ้นสุขมันก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในหมวดของเวทนาเห็นไหอ สภาวะอย่างหนึง่งก็วิทนาเมื่อสุขตัวนี้หายไปดับไปจิตศึกษาเรียนรู้สุขจนจบว่าไงอะ่ะลมหายใจก็จบแล้วปิติก็จบแล้วสุขก็จบแล้วต่อไปอะไรมันจะเกิดเป็นปัฏฐานะอะไรลมหยุดยังปรากฏอยู่ใช่ไหมเออพอลมหายใจเข้าก็ลูลลมหายใจออกก็ูล ทีนี้มันจะเห็นอะไรฮะเจตนาแหละทีนี้อ้าวปิติไม่มีสุขไม่มีเพราะว่าจิตรู้จบแล้วไม่เอาจิตรู้จบแล้วไอ้ที่ว่ามันจบปิติจบสุขเนี่ยสาเหตุเพราะรู้ที่มันจะเริญขึ้นพัฒนาขึ้นตรงนี้ก็จะพูดก้าวหน้าไปหน่อยแต่ว่าเราก็จะสับสนแต่ว่าพูด ทำความเข้าใจไว้เพื่อเป็นความรู้ปิติกับสุขที่มันหายไปไม่ใช่หายไปด้วยเหตุอะไรนะด้วยเหตุที่รู้เข้าไปด้วยจิตที่เข้าไปศึกษาจนมันเกิดความรู้ขึ้นมามันก็ไม่เอาแล้วพอลมหายใจเข้ามามันก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมามันก็รู้ลมหายใจออกสุขตั้งอยู่มันก็เอาสุขก็นั่นแหละศึกษาพอลมหายใจเข้ามันก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ศึกษาสุข ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้จิตศึกษาสุขมีสุขเป็นอารมณ์ไม่ใช่มีลมหายใจเป็นอารมณ์นะมีสุขเป็นอารมณ์ก็ศึกษาก็ไปอยู่กับสุขนั่นแหละดูไปสิแต่โดยไม่เอารู้เข้าไปหมกมุ่นอยู่กับสุขรู้จะหมกมุ่นกับสุขไม่ได้เพราะรู้จะไปอยู่กับแค่ไปมีลมหายใจซึ่งเป็นตัวทวงสุขทวงจิตรู้อยู่ห้อยอยู่ใช่ไหม มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอเป็นธรรมชาติที่คอยดูคอยเห็นอยู่แต่รู้นั้นไปศึกษาสุกแป๊บเดียวสุกมันก็ดับพอสูกดับที่นี้สภาวะตรงนั้นมันจะเกิดอะไรดูความละเอียดตรงนี้ลมหายใจมันก็จบสุกมันก็จบปีติมันก็จบสภาวะที่ลมหายใจยังไม่มามันก็เลยทําให้สภาพว่าสภาวะลมหยุดนั้นยิ่งเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์มากขึ้นถูกปะ่ะฮะ พอสภาพที่ลมหยุดมันบริสุทธิ์ผ่ผองมากขึ้นเนี่ยจังหวะที่ลมหายใจยังไม่มีเราว่าลมหายใจเราหายไปมันก็เกิดอาการรอคอยลมหายใจขึ้นอาการรอคอยลมหายใจนี่แหละคือเจตนาเจตนาตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าจิตตะสังขาร จิตตสังฆารังจิตตสังฆารังปฏิสังเวทีอศาศิสามีติสิกติอันนี้ก็เป็นเวทา น, ะนวานทนบางทีมันก็เป๊บเดียวมันก็จบแต่โดยทั่วไปอะถ้าเรานั่งวันนี้เรานั่งปั๊บ รู้ลมไปเรื่อยๆรู้ลมไปเรื่อยๆแล้วก็ศึกษาเนื้อลมไปเรื่อยๆเกิดความรู้ขึ้นมามันสุขปิติไม่เกิดแต่มันเกิดมาเป็นสุขบางทีปิติก็ไม่เกิดสุกก็ไม่เกิดจิตว่างนิ่งแล้วมันเกิดการเจตเกิดเจตนาซึ่งมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้เกิดได้หมดจำไว้อย่างหนึ่งลมหายใจจะต้องถูกรู้แค่รู้ลมหายใจว้ ไอ้สภาวะลำดับเนี่ยมันจะมีอยู่สิบกขั้นที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยคือพระพุทธเจ้านต้นทําทจมนานจนชนานาญจนชานาญว่ามันไม่มากไปกว่าสิบกขั้นนี้แต่ว่าเวลาเรานั่งเนี่ยเราเราไม่ใช่ว่าเราจะเกิดทั้งส6บกขั้นแต่ในสิบกอย่างนี้ขั้นใดขั้นหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าให้เราศึกษาเรียนรู้ทา มีท่าทีต่อเขาให้มันถูกต้องเพื่อความเป็นมหาสติให้จะเริญนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนี่คำถามไหมฮะอั น, นี่มันไม่ค่อยมีในหนังสือนะ อะประเด็นคือว่าเวลามันเกิดเราไม่ันมันซอยซอยย่อยไม่ใช่ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่รู้ไม่ทันประเด็นเพราะมันเกิดเราอยากจะรู้มันแต่เรารู้ไม่ทันใช่ไหม เ, เราอยากจะรู้มันแต่เรารู้ไม่ทันเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะเกิดเราอยากจะรู้มาก่อนแล้วเราอยากจะรู้มาก่อนแล้ว พอมันเกิดปั๊บเราเลยรู้ไม่ทันอะไรก็ตามในเรื่องของสภาวะถ้าอยากเกิดขึ้นก่อนไม่สามารถไม่สามารถที่จะรู้ไปตามธรรมชาติได้ยกเว้นในเรื่องอารมณ์หยาบเวลาเราอยากอ่ะเราก็กําหนดกําหนดกําหนดกําหนดกำหนดเหมือนบางสายเวลาก็นั้นก็ให้เราให้กําหนดแตบางการปฏิบัติอ่ะก็ให้กําหนดกําหนดจนฟุ้งอ่ะกําหนดจนเพี้ยนอ่ะกําหนดเอ่า กำหนดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอยากได้อะไรก็กำหนดกำหนดกำหนดกำหนดกำหนดกำหนดจนจนแยกไม่ออกว่าอะไรคือสติอะไรคือสมาธิอะไรคือสัญญาอะไรคือเวทนาทุกอย่างนี่มันผสมปนเมียกันไปหมดให้เรากำหนดกำหนดกำหนดกำหนดไม่พอสร้างนิมิตขึ้นมาอีกการกำหนดเพื่อสร้างนิมิตอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเรากำหนด แต่มันเป็นนิมิตนะต้องเข้าใจไม่ใช่ความจริงจะไปยกบางสายก็เดี๋ยวจะไปกระทบกระเทือนเขาเอางี้ดีกว่าเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยเห็นเป็นพวงมาลัยไหมเพ่งไงชัดมองไงแน่วแน่ให้รู้จักจนติดตาหลับตาเสร็จกาหนดให้พวงมาลัยยังคงอยู่ตอนหลับตาภาพพวงมาลัยที่ปรากฏตอนที่เราหลับตาคืออะไรอันนี้ไหม อันนี้ไหมไม่ใช่มันคือนิมิตมันคือนิมิตอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะแล้วก็ไปทำความเข้าใจเอาเองว่าการที่เรากำหนดอารมณ์อันใดอันหนึ่งขึ้นมาแล้วทำให้มันเกิดเป็นอารมณ์ของสมาธินั้นสิ่งนั้นควรเรียกว่าอะไรมันใช่ความจริงไหมอืม ไว้ที่เดิมเพราะฉะนั้นในเรื่องของอานาเนี่ยพระพุทธเจ้านีวางไว้เนี่ยที่สุดแล้วและหลวงปู่หลวงพ่อที่ท่านสอนอาณาแต่ละรูปแต่ละท่านเนี่ยท่านก็ทำตามพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละก็ที่สุดแล้วจนในปัจจุบันนี่เราก็พยายามเห็นหลายที่ก็พยายามที่จะอาณาอาณากันนะ แต่ในที่สุดแล้วมันเป็นการปฏริทุสรายต่ออานาอาณาที่ถูกต้องนั้นจะต้องเห็นลมหายใจเป็นธรรมชาติเรากําหนดรู้เพื่อรู้ลมหายใจที่ไหลออกไหลเข้าชนิดที่เป็นธรรมชาติมีคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทาไมพระอาจารย์ทุชีพนี่สอนลมหายใจออกก่อนก็เราเริ่มต้นเราอ่าน อาณาปาณันนาติตรูดในพระวิัยในพระวินัยปิดกเก็บเขาแปลอาณาปานนาติให้รู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าอ้าวแล้วอยู่ๆเราจะไปหายใจออกได้ยังไงวะเวลาเราปฏิบัติจริงอะ่ะนั่งเขาบอกให้หายใจออกพอนั่งปับ๊บมันจะหายใจเข้าแล้วอะ่ะเออพอนั่งปั๊บสังเกตดูดิพอนั่งปั๊บมันจะหายใจเข้าแล้วแต่ในวินัยปิดกแปลว่า ให้หายใจออกและไออาณะเนี่ยมันแปลว่าออกปานะมันแปลว่าเข้าเออแล้วทำยังไงให้หายใจออกทําไมทํำยังไงถึงจะรู้ลมหายใจออกหันกูก็ขออภัยนะพูดหยาบไปหน่อยฮันกูก็หายใจเข้าไปโดยไม่ต้องรู้ใช่ไหมเออง่ายไ อ, อ้คิดเอาตนนั้นนะพันศา ส, สองนศาหายใจเข้าโดยไม่ต้องรู้หายไปยังงกันลนะ่ะหายไปให้ลมมันเต็มปอดเลย เพื่อที่จะเตรียมรู้ลมหายใจออกผลปรากฏว่าดีดีตัวไหนเมื่อปฏิบัติออกมาเรื่อยๆๆๆๆสังเกตให้พวกเราลองปฏิบัติดูเรารู้ว่าลมหายใจออกการเริ่มต้นในการรู้ลมหายใจออกจะเป็นการรู้ลมที่เป็นธรรมชาติมากกว่าลมหายใจเข้าอ่าเห็นไหมเห็นไหมเออไม่รู้ตอนแรกก็าเขแปลว่าลมหายใจออกรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้า แต่โดยธรรมดารามันต้องหายใจเข้าหายใจออกแต่ในวินัยพี่บกเลยว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้าตอนนั้นยังไม่ได้ดูในพระสูตรไม่ดดูในพระวินัยพอไปปฏิบัติฮัลเราก็หายใจเข้าก่อนจะปฏิบัติแล้วตั้งใจรู้ลมหายใจออกโอ้โหมันต่างกับลมหายใจเข้ามากมากเลยถ้ารู้ลมหายใจเข้าก่อน หายใจเข้าหายใจออกหายใจโดยเฉพาะถ้าใส่คาบริกรรมเข้าไปนะถ้าจิตยังรู้มามันจะแป๊บเดียวนะก็จะเป็นแสงมันจะเป็นแสงแต่ถ้าหายใจออกเนี่ยจะไม่เป็นแสงถ้าคนที่ไม่เคยเกิดเป็นแสงขึ้นมามันจะไม่เป็นแล้วจะเป็นน้อยเพราะอะไรเพราะรู้มันจะแข็งแรงกาหนดจะเบาลงรู้จะแข็งแรงกาหนดจะเบาลงพอหายใจเข้าห้เต็มบอดเลย รู้ลมหายใจออกปล่อยลมหายใจออกมาพร้อมกับจิตที่รู้ต่อลมหายใจที่ไหลออกนั้นตัวรู้จะแข็งแรงเพราะลมหายใจออกตัวกําหนดจะเบาเพราะว่าอะไรเพราะว่าลมหายใจออกนั้นมันเป็นลมหายใจออกที่เป็นธรรมชาติมากกว่าลมหายใจเข้าแต่ถ้าว่าเราไปเริ่มต้นรู้ลมหายใจเข้าเป็นไงใช่ไหมอ่ะอย่างเงี้ยยกอย่างเงี้ยคือกําหนดเต็มๆมีรู้ด้วยนั่นแหละแต่รู้จะเบากว่า แล้วแล้วมันเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์มากนะว่าพอเรารู้ลมหายพอหายใจเข้าไปโดยไม่ต้องรู้มันแล้วก็รู้ลมหายใจออกรู้ที่รู้ลมหายใจออกเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นรู้ลมหายใจเข้ารู้ที่รู้ลมหายใจออกที่เกิดขึ้นแล้วนั้นแหละเขารู้ลมหายใจออกอย่างไรเขาจะรู้ลมหายใจเข้าอย่างนั้นนี่ความอัศจรรย์ของเขา รู้ที่รู้ลมหายใจออกอย่างไรมันรู้ลมหายใจเข้าอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นแม้หายใจเข้าจะมีกาหนดแต่รู้ที่รู้ลมหายใจเข้าอันตั้งขึ้นมาจากการรู้ลมหายใจออกมันจะมีกำลังเท่ากันมีกำลังเท่ากับรู้ลมหายใจออก เ, ออเรียกว่ารู้จะมีกำลังมากกว่าการกำหนด นี้พอรรู้เราหมายใจอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อนองไปเรื่อยๆรู้ก็จะแข็งแรงกำหนดก็จะฝ่อตัวลงอันนี้เป็นธรรมชาติของมันเป็นแบบดีเอองงไหมหงงงงไหมควังรู้เรื่องไหมอยากเข้าใจในเรื่องของการอ่านให้มากนะก็อย่างที่พูดอะ นั่นจะต้องมีสภาวะมารองรับกันระหว่างสภาวะที่เกิดกับความรู้ที่มีก็นั่งไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยนะนี่แหละทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสมาทิงพิกเวพาเวตะพิทัตงหลายเธอจงทาสมาธิเถอะสมัสสมาหิโตพิกเวพิกุยาถาภูตังปชานาติเอาดูคาว่าสุสมาหิโตสุสมาหิโตที่ว่าสุสมาหิโตแปลว่า ตั้งมั่นดีสุนัดีสมาหิตะนํานแปว่าตั้งมั่นสุสมาหิตโตแปลว่าตั้งมั่นดีแสดงว่าตั้งมั่นเป็นไงมีสองอย่างใช่ไมคือตั้งมั่นดีกับตั้งมั่นไม่ดีแต่มันตั้งมั่นเหมือนกันตั้งมั่นไม่ดีก็หมายความว่าความตั้งมั่นที่เกิดขึ้นแล้วเป็นปัจจัยแห่งอกุศลนั่นแหละเรียกว่าตั้งมั่นไม่ดี ความตั้งมั่นที่เกิดขึ้นแล้วเป็นปัจจัยแห่งกุศลนั่นเรียกว่าสุสมาฮิโตเรียกว่าตั้งมั่นดีบัถึงเมื่อเช้าถึงบอกว่าเราจริงๆแล้วเราทำสมาธิตะลอดเวลาสมาธิเกิดขึ้นตลอดเวลาเพียงแต่ว่าสมาธิของเรานั้นมันเป็นมิจฉาสมาธิหรือเป็นสมาสมาธิอันนี้โวกลับไปอีกเรื่องเมื่อเช้าเรื่องนี้สาคัญ สำคัญอะไรสำคัญคือว่ามนุษยชาติเราเนี่ยมันย้อนแยง้งพระพุทธเจ้าจตรัสรู้มาถึงสอนทิฏฐุชุกรรมทําให้มันตรงเถอะทิฏฐุชุกรรมอ่ะมันแปลว่าปรับหรือทําให้มันตรงเสียทีเถอะเราปรารถนาผลของสัมมาตติปรารถนาผลของสมาสมาธิปรารถนาผลของสัมมาวายามะแต่เราดําเดินตามมิจฉาสติ ดำเดินตามมิจฉาวายมะดำเดินตามมิจฉาสมาธิปรารถนาผลอย่างหนึง่งแต่ทำเหตุอย่างห น, น, นึ่งอันเนี้ยมันย้อนแย้งไหมั้นพระเจ้าจึงบอกทิฏฐุชุ ก, กรรมปรับให้มันตรงทีเถอะ <c oughs> อะไรละ่ะที่จะช่วยได้ตรงนี้ลมหายใจอย่างเดียวได้ทุกอย่าง <c oughs> ลมหายใจอย่างเดียวได้ทุกอย่าง <c oughs> เอาละ โดยประมาณนะพักค่าวันนี้เดี๋ยวจะนั่งภาวนากันเวลาบรรยายเนี่ยมันพาไปไกลมาพูดแล้วแต่ว่าเวลาปฏิบัติอย่าไปสงสัยลังเลวว่าเออเมื่อกี้พระอาจารย์พูดอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้ทําไมตอนนี้มันไม่ได้เลยมันไม่ได้แสดงว่าอะไรรู้เปล่าใจมันอยากไปแล้วอย่าประพฤกนิสัยแบบนั้นอยากลูกหน้าไปก่อนไม่ทํา <laughs> อย่าอยากล่วงหน้าไปก่อนไม่ทำตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าว่าปริบุกังสติงอุปัตเปตวะให้ดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าอย่าอยากไปล่วงหน้าไอ <laughs> อยากไปล่วงหน้าแล้วทีนี้มันก็จะลําบากพูดให้ทําความเข้าใจเกิดเป็นความรู้ไว้แล้วเราก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปพอสภาวะมันเกิดอ๋อไอ น, นี้เองที่หลวงพ่อบอกอ๋อไอ น, นี่เองที่หลวงพ่อพูดอ๋ออันนี้เองที่พระอาจารย์พูดอ ให้มันมีสภาวะมารองรับกับความรู้ที่ปรากฏ